เก้ารัตนวัคหก 6. ตูโลนันทะสิกขาบทว่าด้วยการทำเตียงตั่งหุ้มนุ่นเรื่องพระชัพะคี526สมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถาบินทิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นพวกพิสุชิฉัพะคีใช้ให้ทำเตียงหุ้มนุ่นบ้างตั่งหุ้มนุ่นบ้าง คนทั้งหลายไปเที่ยวจาริกไปตามวิหารเห็นจึงตําหนิประนามโพนทนาว่าฉไนพระสมณะเชื่อสายสกยตบุตรจึงใช้ให้ทําเตียงหุ้มนุ่นบ้างดั่งหุมนุ่นบ้างเหมือนพวกเครือหัดที่บริโภคกามเล่าภิกษุทั้งหลายได้ยินคนเหล่านั้นตําหนิประนามโพนทนาบรรดาภิกษุผู้มักน้อยพากันตําหนิประนามโพนทนาว่าฉนาพวกภิกษุชาวพคีจึงใช้ให้ทําเตียงหุ้มนุ่นบ้าง